ไปพึ่งพากันตั้งใจมีน้อยเธอก็ทำตามน้อยมีมากก็ทำตามมากไปสวรรค์ไปพระนิพพานมันจูงแขนกันไปไม่ได้ดอกต่างคนต่างไปต่างคนต่างทํา เรื่องอย่างนี้มันให้เพ่งเข้ามาหาตัวของตัวเองถ้าไปเพ่งไปใส่คนอื่นให้คนอื่นทำมากๆตนจึงจะทำได้อย่างนี้แต่ไม่มีคนทำมากแล้วก็ทำไม่ได้อ่อนแออย่างนี้นั่นท่านเรียกว่า โลกาทิปไตยถือโลกเป็นใหญ่อะไรๆก็เอาคนหมู่มากว่าไม่ถูกต้อง菩萨ทตาทรงสอนให้เราดำเนินไปแบบธรรมาทิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่ การถือทำเป็นใหญ่ก็ถือเอาความถูกต้องเป็นประมาณทำอะไรไปทามันถูกต้องแล้วมันก็ใช้ได้การทำอะไรที่มันจะถูกต้องมันก็มีเหตุมีผล มีเหตุมีผลประกอบกันเหตุผลนั้นมันเป็นเครื่องชี้บอกว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วมันพอเรื่องเหตุผลนี่มันก็มีทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกันแหละ เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเทียบกับคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงจะตัดสินได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมอย่างเช่นลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการนั่น ต้องเรียนให้รู้ไว้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมทำเราใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกหนึ่ง เป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่หนึงเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะหนึ่งเป็นไปเพื่อความเกียรติคร้านหนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษจินดี ในปัจจัยตามมีตามได้หนึ่งเป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากหนึ่งทำเหล่านี้เพิ่งรู้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิ น, นัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาวันนี้ตรงกันข้ามทเรเหลาใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด หนึง่งเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกหนึง่งเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสหนึง่งเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยหนึง่งเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีตามมีตามได้หนึง่งเป็นไปเพื่อความไม่คุก ไม่คุกครีด้วยหมู่คณะหนึ่งเป็นไปเพื่อความเพียรหนึ่งเป็นไปเพื่อความเรียงง่ายหนึ่งทำเหล่านี้เพิ่งรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินนยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดานี่แหละให้เพิ่งกันเรียนจำเอาลักษณะตัดสินธรรมวินนย แปดประการนี้ไว้ให้ได้แปดประการก็มีสองคู่แล้วอนนไอความกำหนัดเนี่ยถ้าพูดอย่างทางโลกเขาก็ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าพูดในเรื่องของนักบวชแล้วนับว่าเป็นโทษมาก เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของนักบวดมากมายทีเดียวนะแต่ทางโลกก็เถอะถ้ามีความกำหนัดมากเกินประมาณมันก็ไปประพฤติผิดมิตรฉาจานกรรมไปคมคืนแล้วฆ่าอะไรมูเนี่ยแล้วก็ไป หลอกลวงสามีหรือภรรยาคนอื่นให้เขาหลงเชื่อไปหลงรักหลงไข่ตนไปอะไรมูนี้นะเมื่อกระวนจ่เป็นโทษเกิดจากราคะตัณหานี่ทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นทั้งรักวดทั้งครงหอัดก็ควรพิจารณา ใส่ใจกิเลสตัวนี้ให้มากมากทีเดียวอ่ะอย่าไปทอดทุระอย่าไปยอมให้มันเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจโดยส่วนเดียว <c oughs> ถ้าเป็นคารืหัดได้อย่างนี้หากบรรเทาราคะตัณหาในลงได้มันก็ไม่ได้ประพฤติผิดสินข้อที่สาม ก็ไม่ได้รับทุกข์ทนทรมานอันเกิดจากราคะตัณหานี้ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางราะไปข่มขืนเขาแล้วฆ่าอะไรหมเนียจะเป็นนักบวดอย่างนี้ก็สามารถประพฤติพรมจรรย์ไปได้อย่างสะดวกสบาย ผู้ใดบรรเทาราคะตัณหานีลงได้ข้อปฏิบัติที่จะให้บรรเทาราคะตัณหาอันนี้มันก็พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้แล้วอาศัยความเพียนความภาคเพียนเพ่งพินิษดูร่างกายอันนี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริง ความเป็นจริงของร่างกายนี่ไม่มีส่วนไหนที่จะน่ารักน่าใครน่ายินดีเพราะว่าร่างกายอันนี้มันก็มีอาหารเป็นเครื่องรอเลี้ยงไว้อาหารนั่นมันสะอาดหรือมันสกรปรกนั่นต้องพิจารณาดูอาหารไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรแต่ว่าร่างกายอันนี้มันหัก อยู่ได้ด้วยของไม่สะอาดอย่างนั้นก็จำใจต้องหามาเลี้ยงมันเมื่อเอามาบารุงมันปนเปือมันในร่างกายอันนี้ที่อยู่ด้วยอาหารนั่นเมื่อก่ไม่สวยไม่งามเหมือนกันและไม่สะอาดเหมือนกันนี่เราต้องพีรนาดูต้นตอของรูปกายอันนีนะ้มันเป็นมาอย่างไรมันเป็นอยู่อย่างไร เมื่อเพ่งพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนเข้าไปแล้วมันก็จะมองเห็นได้ว่าร่างกายอันนี้ไม่มีส่วนไหนที่จะสวยงามน่ารักน่าใครน่ายินดีไม่มีเลยแต่คนส่วนมากวันทึงไม่ภาคเพียนเพ่งพินิษฐมีแต่ปล่อยจิตให้ไปตามความรักความใคร่โดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นมันจึงบรรเทาราคาตัญหาไม่ได้ เป็นเหตุให้ทำชั่วต่างๆเมื่อบันเทาราคาตันหานี่ได้ทำข้อที่สองมันก็บันเทาลงได้แก่ความปราศจากทุกข์ทางใจใจนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะราคาตันหานี่แหละ มากมายนะคนเราอะบันเทาราคะตัณหาี่ลงได้แล้วใจก็สบายจิตก็สงบเยือกเย็นความโกรธอะไรมันก็เบาบางไปตามกันนั่นแหละถ้าราคะตัณหานี่ไม่เบาบางแล้วความโกรธก็ไม่เบาบางเหมือนกันแล้วก็ การสะสมกองกิเลสเนะ่มันก็ไม่ใช่ทําไม่ใช่วินัย่ะทำอย่างไรสะสมกองกิเลสสะสมกองกิเลสก็คือไม่รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่หนึ่งแล้วก็เกียดคร้านทำความเพียรหนึ่งเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ปากแก่ท้อง เป็นคนเกียดคร้านไม่ปรารกความเพียรหมนี้แหละเป็นเนี่ยได้คนเราสะสมกองกิเลสไหนาแน่นขึ้นในใจเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้ น, นพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงพระคาถาไว้สำหรับให้ พุทธบริษัทได้สวดเป็นเครื่องเตือนใจแต่มันเป็นภาษาบาลีส่วนมากก็แปลไม่ค่อยได้กระสวดไปอย่างนั้นแหละความจริงมันก็คนรู้เพราะว่าในหนังสือนะ่มโกว่ า, วาแต่มันก็ทั้งก็แปลไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอื <c oughs> ไปลว่าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วในทาศัตว์ธรรมสูตรมูนั่นนะอันพิจารณาในปัจจัยทัางสี่อันนี้นั่นมันก็ไม่เป็นของอยากลําบากอะไรเช่นอาหารการบริโภคอะไรนี้นะก่อนฉันก็พิจารณาให้มันเห็นเป็นของอสุภะอสุพังไม่สวยไม่งามอะไรอย่างนี้เลย แต่ว่ามันจำเป็นร่างกายเนี่ยมันเป็นอยู่ด้วยของสุกรโปรอย่างนี้ก็จำใจก็ต้องเลี้ยงมันไปเท่านั้นเองถ้าเพ่งดูความจริงแล้วนั่นมันไม่น่าปรารถนาไม่น่าท้องการอะไรเลยหรอก อ, อาหารนี่นะมันสุกรโปรกพูดแล้วนะแต่มันจำเป็นต่อร่างกายแล้วก็ว่ากันไปเท่านั้นเอง พิจารณาอย่างนี้แล้วก็พี่นาลงไปจนถึงธาตุอาหารเหล่านี้มันก็เป็นธาตุดินกับธาตุน้ำเลยผสมกันอยู่เนี่ยแต่ธาตุไฟมันก็ดับไปแล้วธาตุไฟเนี่ยก็หุงต้มทำให้สุก ข, ขึ้นมานอกจากพิจารณาอาหารแล้วก็พี่นาผ้าหนุ่งผ้าหม ผ้าหนุ่งผ้าห่มถึงเป็นของสะอาดก็จริงแต่เมื่อเอามาหุ้มห่อร่างกายนี่เข้าไปเงื่อไรไหลออกมาติดเกิดกังผ้าที่ขาวสะอาดก็เลยกลายเป็นผ้าที่เศร้าหมองไปนี่แหละมาอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ติดไปคล้องอยู่ในผ้าหนุ่งผ้าหม่ม ต่างๆเหล่านั้นมันได้มาอย่างไรก็ยินดีใช้สอยนุ่งหม่มอยู่ตามกําลังบุญวาสนาที่มันจะอํานวยให้ตลอดถึงบ้านเดือนที่อยู่ที่อาศัยต่างๆโมนี่ก็เหมือนกันแหละยุก ย, ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บโมนี่ให้นึกว่ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะได้อาศัยอยู่ตลอดไป อาศัยชั่วคราวเมื่อหมดบุญหมดวาสนาลงแลว้วก็ตายแลว้วก็ทอดทิ้งที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้ไว้ในโลกนี้ไม่มีใครเอาติดตัวไปเลยพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ติดไป่คล้องอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนต่างๆ ยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เหมือนกันเราถือสันตุถีก่จริงนะยานภาษศาธรามดาไม่ให้ถือสันตุถีหรอกแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปแล้วหากว่าไม่มีผู้อุปการะก็ทรงอนุญาตให้ขอจาก ผู้มีศรัทธามารับประทานได้เพื่อบำบัดโครคภัยไข้เจ็บ <c oughs> แต่ยาบางอย่างเช่นคำป้อมสมอน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งอะไรหมูเนี่ย ถ้าไปฉันเกินขอบเขตมันก็เลยจะกลายเป็นฉันอาหารไปเพราะฉะนั้นการขอบฉันของหมูนีมันก็ต้องรู้จักประมาณนะฉันพอเป็นหยกเป็นยาไปเท่านั้นแล้วก็แล้วไปถ้านึกว่าจะไปฉันนึกหิวอาหาร ลรวไปหาฉันผลไม้เหล่านี้เข้าไปแทนอาหารอย่างนี้ไม่ได้เป็นโทษสำหรับผู้จำสินแปดขึ้นไปนนจำสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันก็ต้องพิจารณาให้รู้เท่าอาหารที่จะพึ่งบริโภคเนี่ย ยาวะกาลิกยามากาลิกสัตตาหากาลิกยาวชีวิกยาบางอย่างนั้นให้รับประทานได้ตลอดชีวิตหรือว่าได้ครบฉันได้ตลอดชีวิตนี่ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจยาบางอย่างเช่นน้ำอ้อยน้ำตาลกระสงนอนุญาตให้เก็บไว้ฉันได้เจ็วัน ข้อน้ำอ้อยน้ำตาลมันนี้มันเลอะมันถูกอากาศเข้าไปแล้วมันละลายออกไปมันทำให้เสนาสนะเปิกเปืเป่อนแล้วกับพวกมดอะไรก็ไต่ตอมดังนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้เก็บไว้ฉันได้เก็ดวันเท่านั้นแล้วก็สละออกไปเหลือจากนั้นนะ นี่แหละการพิจารณาปัจจัยสี่เสมอเสมอมันก็เป็นเหตุให้จิตใจไม่ติดไปคล้องอยู่ในปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วสรุปความลงแล้วเรี่ยว่าเราอาศัยปัจจัยสี่นี้ชั่วคราวเท่านั้นเองอาศัยบำรุงร่างกายนี้พอได้มีกำลัง ประกอบความเพียรชำระกิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจนี้ก็สรุปลงอย่างนี้แหละการที่เราบริโภคปัจจัยสี่ไม่ว่าครือหัดไม่ว่านักบวชมันก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่นี้ทั้งนั้นเลยทีนี้ถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้รู้เท่าอย่างว่านี้นะ จิตใจมันก็เกิดความโลภมากขึ้นมาในปัจจัยทั้งสีน่นี่แล้วเป็นเหตุที่ไปทำบาปถ้าเป็นภิกษุสามนเณรก็ไปหล อ, อกลวงหรือว่าไปประจบประแจงชาวบ้านเขาให้เขาเลื่อมใส นำปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งมาให้มาถวายอะไรโมเนียการประจบประแจงคล้ายๆกับว่าไปหลอกลวงเขานั่นแหละมันก็เป็นบาปเป็นโทษพระศาสดาจึงปรับเป็นมิตราชีพแต่อย่างนั้นถ้าเป็นชาวบ้านอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงอัจรภาพร่างกายอันนี้กลัวร่างกายอันนี้มันจะโซบผอมมันจะชำรุดทรุดโทรมถ้าไม่ได้กินอาหารดีๆเดี๋ยวมิทฉานก็ไปลักไปช่อไปโกงไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติผูอื่นมาเลี้ยงอัจภาพของตัวเอง มือนี้นะมันเป็นเหตุให้ได้ทาบาปอะ่ะบุคคลผู้ไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่าปัจจัยทั้งสี่เนี่ยเมื่อรวมความลงแล้วนะดังนั้นให้พึ่งพากันพิจารณาไม่ว่าครืหัดไปว่านักบวชอย่าให้จิตมันติดมันคล้องอยู่ในปัจจัยสี่นี้ถือสันตดถีตามมีตามได้ มีอย่างไรมาก็ใช้สอยบริโภคไปอย่างนั้นแล้วก็สบายใจดีทุกคนก็ต้องการความสุขความสบายดังนั้นเราต้องมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละจึงจะได้รับความสุขความสบายทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปเมื่อทําตนให้เป็นผู้สบาย มีความสุขสม่ำเสมอไปแล้อย่างนี้มันก็ความสุขเหล่านี้มันก็เป็นผลแห่งบุญกุศล น, นั่นแหละ บ, บุคคลเราเมื่อได้รับความสุขจากการทําความดีจากการละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจอย่างนี้แล้วมันก็ขยันเลยวันนี้นะขยันภาคเรียน ทำบุญกุศลความดีเข้าไปเพลี่ยนพยายามละกิเลสให้น้อยไปโดยลำดับลาดับไปเพราะว่ามองเห็นผลมันแล้วนี่มองเห็นความสุขความสงบความเย็นใจในเมื่อละกิเลสออกไปเท่าไรใจก็ยิ่งสบายไปเท่านั้นนี่ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะกท่วา ลักษณะตัดสินธรร ม, มวินัยน่นนะก็ให้พึ่งเข้าใจตามนี้แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามความเกียดคร้านพวกนี้นะไม่ใช่เป็นธรรมเป็นวินัยนะการทำตนในเขาเลี้ยงยากเขาเอาของมาสาเป็นพระเป็นเนรเอาของเอาอาหารเอาปัจจัยผ้าหนุ่มผ้ามืถวายทาไมไม่พอใจแล้วก็พูด ตามนิตีเตียนต่อหน้าเขานั่นแหละวันนี้เขาก็รังเกียจสิบันนี้นะเขาก็ไม่ถวายต่อไปอีกแล้วเอ้ยพระนี่ขี่ลกอะไรต่ออะไรไปทํานองนั่นนะอืออันบนี้ทุกคนมันต้องให้เข้าใจแล้วก็เหมือนกันเลยคฤีหัดก็เหมือนกันถ้าหากว่า ไปเลือกหากินแต่อาหารอันถูกปากอันดีๆเท่านัา้นเงินทองตนมันมีน้อยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ไปจ่ายเงินซื้อแต่อาหารดีๆมากินนอนอย่างเงินหมดก็เดือดร้อนกันหรือไม่จะได้ก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเองเพราะปากเพราะท้องนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะคนเราอ่ะให้พิจารณา เสียก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยเีมันจึงไม่เป็นบาปเป็นกรรมความคุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะเวลาใดก็มีแต่คุยกันรวมหัวกันแล้วคุยกันตลกเฮฮาเล่นหัวกันอยู่งั้นเนี่ปล่อยให้เวลาล่วงไปเสียเปล่าไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำการงาน อันใดเท่าที่ควรจะทำจิตใจก็ฟุ้งซ่านรงคาญไปถ้าคุกคีกันมากๆเข้าไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะจึงควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตาม ก็จะเป็นเหตุให้บันเทากิเลสตัณหาอันหนาแน่นอยู่ในใจนี้ไปโดยลำดับได้โดยแท้ดังแสดงมา